ข้อที่เจ็ไฟก็ตามยาพิษก็ตามสตราวุฒก็ตามจะไม่กล้ามกลายจะไม่ทำร้ายนาสะอคิวาวิสังวาสัตถังวากามติถ้าเจริญเมตตาจนได้ฌานซึ่งมีเมตตาเป็นอารมณ์จะยิ่งมั่นใจมากขึ้นว่าไฟสตรายาพิษจะไม่กล้ามกลายไม่ทำร้ายไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ มีเรื่องเล่าในคำภีของเราหลายแหง่งบอกว่ามีพระปัจเจกภกทธเจ้าท่านนั่งเข้าชาญอยู่ริมแม่น้ำคนขึ้นมาจากอาบน้ำในแม่น้ำเข้าใจว่าท่านเป็นต่อไม้ลงเล่นน้ำกันขึ้นมาก็หนาวต้องการจะผิงไฟเอาญ้าแห้งมาสมสมกันที่ต่อไม้ที่เป็นพระปัจเจกภกทธเจ้านั่นแหละแล้วจุดไฟปรากฏว่าไฟไหม้ฟางญ้าแห้งไปหมด แต่ตัวท่านพระปัจเจ ก, กพุทธเจ้าไม่เป็นไรเพราะท่านออกจากฌานก็ไปไฟไม่สามารถทรอันตรายแก่ท่านได้ถ้าไม่ถึงระดับนั้นเป็นระดับคนธรรมดาก็จะได้คลายแคล้วจากไฟที่จะมาทำร้ายตามสมควรดังคำพังเพยไทยที่ว่าคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้น้ำไม่พัดไปถ้าพัดไปก็ไม่เป็นอันตราย มาถึงเรื่องยาพิษไม่กล้ามกลายคนที่บำเพ็ญภาวนาหรือเล่นทางจิตศาสตร์อย่างเช่นพวกโยคีในอินเดียบางท่านดื่มยาพิษได้หน้าตาเฉยฝรั่งงงมากเพราะดื่มยาที่กินหยดเดียวก็ตายแต่โยคียดื่มได้ถ้วยเล็กๆเอ็กซเรย์ X เข้าไปดูก็มียาพิษอยู่ในกระเพาะแต่ไม่เป็นอันตรายก็เป็นเรื่องแปลกลึกลับสาหรับเรา แต่ไม่ลึกลับสาหรับคนที่ทำได้อย่างฝรั่งบางคนเล่นกลเก่งๆเราดูทางทีวีเรารู้สึกว่าเป็นเรื่องลึกลับทำได้อย่างไรแต่เขาทำได้เพราะเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับเขาที่ฝึกฝนมาดีแล้วมีเรื่องเล่า ว, ว่ามีหลวงตารูปหนึ่งที่ใกล้ๆโกติของท่านมีมะม่วงหลายต้นมีคนข้างวัดมาขโมยมะม่วง ท่านจับได้เรียกมาดุด่าว่ากล่าวตามประษาของผู้ใหญ่กลัวว่าเขาจะเป็นบาปเป็นเวรเป็นกรรมเพราะขโมยมาม่วงของวัดนายคนนี้ไม่เข้าใจก็โกรธท่านคิดร้ายต่อท่านถึงกับวางยาพิษท่านเอายาพิษคลุกขนมให้ลูกชายเอามาถวายตอนเพลบังเอิญตอนที่ลูกชายเอาขนมมาถวายลวงตาได้ฉันเพลเสร็จแล้วท่านอิ่มแล้ว ก็เก็บขนมไว้ใต้โต๊ะที่ฉันพระที่ฉันอาหารในวัดท่านจะมีโต๊ะเตี้ยเตี้เก็บของไว้ใต้โต๊ะได้ใช้นั่งคัสมาที่ฉันและมีของเก็บไว้ใต้โต๊ะได้โตกเย็นเด็กมาเล่นกันแถวนั้นท่านก็เรียกเด็กมาให้ขนมบังเอิญหรือวิบากกรรมก็ไม่รู้ได้เด็กคนที่มารับขนมจากท่านเป็นลูกของคนที่วางยาพิษท่านนั่นเอง ท่านก็ไม่รู้เด็กก็ไม่รู้เด็กกินขนมคลุกยาพิษเข้าไปปรากฏว่าเด็กตายอันนี้เป็นความผิดของใครสืบรู้กันเข้าว่าคนข้างวัดนั้นพยาบาทท่านที่ถูกท่านดุด่าว่ากล่าวแล้วมาวางยาพิษท่านแต่ถูกกับลูกของตัวเองอันนี้เรียกว่าคิดประทุษร้ายต่อท่านผู้ไม่ประทุษร้าย เป็นเรื่องเวียนกรรมที่ไปทำกับพระผู้มีเมตตาว่ากล่าวด้วยเมตตาแต่เขาไม่เข้าใจไม่รู้เข้าไม่ถึงในอัตกริาธรรมบทก็มีเรื่องเล่าถึงเศรษฐีคิดร้ายกับโคสกะซึ่งเป็นลูกเลี้ยงแล้วก็ถูกกับลูกตัวเองเหมือนกันคือสั่งให้ช่างหม้อเอาโคสกะเข้าเตาเผาหม้อถือหนังสือไปบอกให้เอาเด็กที่ถือหนังสือมานี้สับให้ละเอียด แล้วโยนเข้าเตาเผาหม้อโชคร้ายรื้อเวณกรรมมันไปสลับคนเสียเป็นอันว่าลูกข้างตัวเองเป็นคนไปส่งหนังสือเลยโดนลูกข้งตัวเองตายนี่ก็เป็นการคิดประทุสร้ายต่อผู้ไม่คิดประทุสร้ายคนที่มีเมตตก็มีอันให้แคล้วคลาดไปยาพิษที่เขาตั้งใจวางยาพิษก็ไม่ถูกไปถูกคนอื่นก็เหมือนกับถูกตัวเอง มีเรื่องเล่าในคำภีวิสุทธิมักตอนที่ว่าด้วยเมตตาว่าแม้เพียงแต่สัตว์เดรัจฉานคือแม่โคยืนให้นมลูกอยู่ด้วยจิตอ่อนโยนต่อลูกนายพรานยิงไปด้วยธนูยิงไม่ถูกยิงสองสาครั้งธนูก็หลบไปหลบมาไม่ถูกอันนี้ท่านบอกว่าก็ด้วยอำนาจของเมตตาที่แม่โคแม้จะไม่มีต่อนายพรานแต่มีกับลูกมีจิตใจอ่อนโยนต่อลูก ขณะยืนให้ลูกดื่มนมอยู่จิตใจที่อ่อนโยนในสัตว์เดรฉ า, านต่อลูกยังมีผลถึงขนาดนี้ไม่ต้องกล่าวถึงว่าจิตใจที่อ่อนโยนของบุคคลที่มีต่อบุคคลอื่นเมตตาคือสภาพจิตใจที่อ่อนโยนต่อผู้อื่นอันนี้เป็นเรื่องของอนิสงค์ของการเจริญเมตตาข้อที่เจตามไตยยที่กล่าวมาโดยย่อนี้จะเห็นว่า การเจริญเมตตามีอานิสงส์มากทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรมเราถือหลักให้ได้ว่าถ้าไม่ต้องการให้ผลร้ายเกิดขึ้นกับเราก็อย่าไปคิดในทางร้ายแก่ผู้อื่นให้คิดไปในทางที่ดีๆสร้างแนวจิตไปในทางที่ดีท่านจะพบความจริงในชีวิตของท่านเองขอให้ท่านลองทดสอบพิสูจน์ตั้งข้อสังเกตว่าความคิดของคนมีที่พลต่อชีวิตของเขามาก มีความคิดไปทางใดมากชีวิตก็จะไปทางนั้นถ้าคนที่คิดแต่เรื่องร้า ย, ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคิดร้ายต่อผู้อื่นความร้ายนั้นจะกลับมาหาตัวถ้าเราคิดแต่ดีๆมีจิตใจอ่อนโยนต่อคนทั้งหลายสิ่งที่ดีงามต่างๆก็จะมาหาตัวเราเองและอย่าไปคิดว่าคนนั้นคนนี้เป็นศัตรูของเราขอให้คิดแต่เพียงว่า เข้ามาให้กำลังใจแก่เราแม้เขาจะมีท่าทีเป็นศัตรูแต่ให้คิดว่าเข้ามาให้กำลังใจแก่เราให้เรามีกำลังใจมากขึ้นอย่างที่โบราณว่าศัตรูคือยากำลังให้เรามีความเข้มแข็งมากขึ้นมีแรงต้านทานมากขึ้นว่าวจะสูงขึ้นได้ต้องมีแรงลมช่วยพัดขึ้นไปมันต้องต้านแรงลมได้เชือกว่าวไม่ขาดลอยลมขึ้นไปได้ พอลอยขึ้นไปได้สักระยะหนึ่งมันก็จะติดลมบนว่าวก็จะลอยอยู่ได้เมื่อติดลมบนแล้วอยู่เหนือลมแล้วเหนือทุกเหนือสุขเหนือการได้การเสียมองอะไรเหมือนกันได้ก็อย่างนั้นเสียก็อย่างนั้นอยู่ติดลมบนถ้าเราจะเป็นผู้ปฏิบัติธรรมโดยการเจริญเมตตาแผ่เมตตาอยู่ได้เมตตาเมตตาวิหารี ก็ไม่จำเป็นต้องแสดงรูปลักษ์ถ้าเราจะปฏิบัติธรรมอย่างนี้อาจแฝงอยู่ในรูปแบบใดๆก็ได้ไม่จำเป็นต้องติดรูปแบบเพาเราจะต้องลุ่มขาวห่มขาวต้องทำนั่นทำนี่ให้เห็นว่าเราคือผู้ปฏิบัติธรรมแฝงอยู่รูปใดก็ได้การแต่งเนื้อแต่งตัวความเป็นอยู่ไม่ต้องแสดงภาพลักษณ์หรือรูปลักษณ์ว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมก็ได้ เป็นผู้ปฏิบัติธรรมโดยไม่ต้องแสดงรูปลักษ์ให้ปรากฏก็ได้ท่านลองนึกดูในทางกลับกันก็ได้อย่างโจรแม้ไม่แสดงรูปลักษ์ว่าเป็นโจรไม่ต้องแสดงท่าทางว่าเป็นโจรมันก็เป็นโจรได้บางทีเป็นโจรได้แนบเนียนกว่าคนที่แสดงรูปลักษ์ว่าเป็นโจรด้วยเพราะคนที่แสดงรูปลักษ์ว่าเป็นโจรคนจะกลัวอาจจะทำอะไรไม่ได้ แต่คนที่ไม่ได้แสดงรูปลักษ์ว่าเป็นโจรปรากฏรูปลักษ์เป็นผู้ดีแต่ภายในเป็นโจรก็เป็นได้เพราะฉะนั้นผู้ที่ปฏิบัติแท้จริงไม่จำเป็นต้องแสดงรูปลักษ์ในเพศของผู้ปฏิบัติธรรมแสดงก็ได้แล้วแต่สะดวกสะดวกอย่างไรก็ทําไปอย่างนั้นข้อสำคัญคือสันติสุขภายในความสงบสุขภายในสาคัญกว่าการแสดงรูปลักษ์ภายนอก อันนี้พูดถึงอ น, นิสงค์ของเมตตาข้อที่เจ็ดไฟสตราวุธยาพิษไม่กล้ากลายไม่ทำร้ายแต่ถ้าจะทำร้ายบ้างอันนั้นก็เป็นข้อยกเว้นกฎทุกอย่างมีข้อยกเว้นข้อที่8ปดผู้มีเมตตาจิตย่อมเป็นสมาธิได้เร็วตุวะตังจิตตังสมาธิยติคนที่มีเมตตามีจิตใจอ่อนโยนอยู่ จิตก็เป็นสมาธิได้เร็วเพราะมีความสุขมีปีติอยู่เสมอสมาธิก็เกิดขึ้นได้ง่ายมีปีติปัดจัทธิสุขสมาธิมีความสุขคนที่มีเมตตาจะเป็นคนที่มีความสุขเมตวาลาภีสุขสีลวาเป็นผู้มีปกติอยู่เป็นสุขผลต่อมาก็เป็นสมาธิคือจิตตั้งมั่นจิตเป็นสมาธิได้เร็ว เพราะมีเมตตาจะมีความสุขคนที่มีความสุขจิตก็เป็นสมาธิได้เร็วถ้าเริ่มต้นด้วยศรัทธาปราโมทปีติปัสสัทธิหรือการผ่อนคลายสุขสมาธิผู้มีเมตตาจะมากไปได้วยความสุขมีปกติอยู่เป็นสุขที่ท่านเรียกว่าสุขาสีลวาเมื่อมีปกติอยู่เป็นสุขจิตก็เป็นสมาธิเร็ว อย่างน้อยที่สุดก็เร็วกว่าคนที่ปกติอยู่เป็นทุกข์เวลาที่เรามีความทุกข์พยายามให้จิตเป็นสมาธิก็เป็นยากสู้เวลาที่มีความสุขไม่ได้แต่ไม่ใช่ความสุขในลักษณะของความเพลิดเพลินเป็นความสุขในลักษณะที่สงบเย็นเป็นความสุขจากกุศลธรรมที่ท่านเรียกว่าธรรมสมาธิเช่นประพฤติอยู่ในกุศลธรรมบวสิบ มีกายกรรมเป็นกุศลวัจีกรรมที่เป็นกุศลและมโนกรรมที่เป็นกุศลรวมทั้งหมดสิบอย่างจิตใจก็เป็นสมาธิจากการที่ได้ประพฤติอยู่ในกุศลธรรมบทนั้นอันนี้เรียกว่าธรรมสมาธิจิตที่สงบระงับเพราะการได้ธรรมสมาธินั่นแหละเรียกว่าจิตตสมาธิถ้าเจริญวิปัสสนาพิจารณาสิ่งทั้งหลายโดยความไม่เที่ยง เป็นทุกข์เป็นอนัตตาสงบเยือกเย็นปล่อยวางสิ่งต่างๆได้ก็เป็นวิปัสนาสมาธิหมายถึงสมาธิที่ได้จากการเจริญวิปัสนานี่คืออานิสงส์ของการเจริญเมตตาทำให้จิตเป็นสมาธิได้เร็วไม่เหมือนกับคนที่มีโทสะจิตเป็นสมาธิได้ยากข้อที่9ผู้มีเมตตาย่อมมีสีหน้าผ่องใส มุขวันโนวิปัสสีทตินึกดูคนที่โกรธสีหน้าจะบึ้งตึงไม่ผ่องใสถึงจะเป็นคนสวยแต่พอสีหน้าบื้องตึงก็จะไม่ผ่องใสถ้าคนที่มีเมตตาสีหน้ายิ้มแย้มด้วยอ น, นิภาพของเมตตาด้วยอ น, นิสง์ของเมตตาด้วยความรู้สึกที่มีเมตตาสีหน้าก็จะผ่องใสออกมาบางท่านเปรียบว่า สีหน้าผ่องใสเหมือนแว่นหรือแก้วกระจกเป็นเรื่องของผู้มีเมตตาที่ทําให้สีหน้ายิ้มแย้มหน้าตายิ้มแย้มดูดีดูผ่องใสข้อที่สิบไม่หลงตายหรือทํากาลกิริยาอสัมมันหกาลังคารโรติมีคนเป็นจํานวนไม่น้อยที่เป็นคนไม่มีธรรมและหลงตายมีความรู้สึกว่าได้ทําบาปไว้มากได้ทําทุจริตไว้มาก เวลาก่อนจะตายมีกรรมนีวิทมาปรากฏคือกรรมหรือสิ่งที่เคยทําไว้นั้นมาปรากฏให้เห็นในมโนทวารคนอื่นอาจจะไม่เห็นแต่ตัวบุคคลผู้นั้นเห็นคนที่มีอาชินกรรมอย่างไรเช่นมีปกติในการฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์ลักขโมยมีปกติประพฤติอย่างไรทําบาปอย่างใด กรรมบาปอย่างนั้นสิ่งนั้นก็จะมาปรากฏให้เห็นในมโนทวารคือทางใจเรียกกรรมมิมิตรถ้าเป็นคนทำบาปอยู่เป็นอาจินบาปที่ทำหรือสิ่งที่ทำก็จะมาปรากฏเกิดความสะดุ้งหวาดกลัวทำให้จิตใจไม่ปกติเพ้อไปหลงไปคร่ำครวนไปมีอาการแปลกๆไม่สงบอย่างนี้ท่านเรียกว่าหลงตายหลงทากาลกิริยา มีเรื่องเล่าไว้ในอัธกถาธรรมบทมากมายและที่ไม่ใช่ในอัธกถาธรรมบทก็มากมายเล่าถึงคนฆ่าหมูอยู่เป็นปกติพอจวนจะตายก็ร้องเป็นเสียงหมูลงคลานสีขาคนที่ฆ่าวัวภาพที่ตัวฆ่าวัวก็ปรากฏได้เห็นร้องเป็นเสียงวัวฆ่าแพะฆ่าแกะฆ่าไก่ก็เหมือนกันมีอยู่คนหนึ่งเป็นคนที่ชอบเล่นพนันไก่ชน เป็นเจ้าของไก่ตัวแล้วตัวเล่าพอถึงเวลาจะตายเอามือทั้งสองข้างของตัวมาชนกันตลอดเวลาจนมือเขียวดำเปื่อยก็ยังไม่ตายจนมือเปื่อยเน่าไปมากก็ตายตายด้วยความทุกข์ทรมานโดยการเอามือชนกันนี่เป็นอาการหนึ่งของกา ร, รมนิมิตเป็นกรรมที่ตนได้ทําเป็นประจำมาปรากฏทำให้ไม่สบายใจ เมื่อลืมตาเห็นโลกนี้หลับตาเห็นโลกหน้าคตินิมิตคือสถานที่จะไปในภพหน้าจะเห็นภาพหรือภพที่ตนจะไปเช่นถ้าจะไปเกิดในหมู่สัตว์เดรัจฉานก็เห็นสัตว์เดรัจฉานประเภทนันนๆมาปรากฏให้เห็นมากมายไปเกิดเป็นนกเป็นกาหรือเป็นอะไรก็จะมีภาพของสิ่งนั้นมาปรากฏขึ้นเป็นกลุ่มๆเป็นหมู่ๆเรียกคตินิมิต คือเครื่องหมายของกติที่จะไปหลังจากตายแล้วเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีธรรมะเป็นคนมีบาปสั่งสมบาปไว้มากเวลาจะตายก็จะมีสิ่งร้ายเหล่านี้ปรากฏขึ้นถึงคนอื่นจะไม่เห็นแต่ตัวผู้ที่จะตายเห็นในทางกลับกันคนที่มีบุญได้ทำบุญไวมากได้สะสมสิ่งที่ดีงามเอาไว้อาสัณกรรมดี การที่ทำไว้เมื่อจวนจะตายจิตใจดีระลึกถึงสิ่งที่ตนทํามาตลอดทำแต่ความดีเป็นคนที่มีปกติรักษาศีลให้ทานเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับเพื่อนมนุษย์ได้ทำอะไรไว้อยู่เป็นประจำภาพของสิ่งนั้นก็ปรากฏขึ้นให้ปลื้มใจชื่นบานมีจิตใจแช่มชื่นมีอาการยิ้มน้อยๆคตินิมิตก็ปรากฏ คือตนจะไปเกิดในหมู่ใดเช่นไปเกิดในหมู่เทวดาภาพของเทพก็ปรากฏขึ้นให้เห็นเกิดในหมู่มนุษย์พวกไหนอย่างไรภาพเหล่านั้นจะปรากฏขึ้นในมโนทวารอันนี้เรียกคตินิมิตในทางฝ่ายดีพวกนี้จะไม่หลงตายจะตายด้วยความสงบด้วยความแช่มชื่นตายมีความสุขรู้ว่าตายแล้วจะได้รับความสุขความสบายกว่าตอนเป็นอยู่ ก็เลยไม่กลัวตายตายเมื่อไหรก็เมื่อนั้นอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเหมือนกับคนที่หลับแล้วตื่นขึ้นสัตตประภูตโทวิยะหรือเหมือนทําลายภาชนะดินไปเอาภาชนะทองคําหรือรู้ว่าก้าวจากกระตอบไปปราศาสขึ้นจากคอช้างคอมา้าก้าวขึ้นสู่ปราศาสโดยลําดับก็มีความอุ่นใจมีความแช่มชื่นใจไม่เดือดร้อน อันนี้เป็นประการที่สิบข้อที่สิอถ้าไม่ได้บรรลุธรรมที่สูงขึ้นไปก็จะได้ไปสู่พรหมโลกอุตตริงอปวิชันโตพรหมโลกูปโคโหติอันนี้เป็นการแสดงชัดถึงคําว่าเมตตาเจโตวีมุตที่กล่าวถึงข้างต้นของเรื่องนี้ว่าอา น, นิสงส์สิบอประการนี้ท่านกล่าวเต็มรูปถึงอา น, นิสงส์ของเมตตาเจโตวีมุตเจโตวีมุต ตามตัวแปลว่าหลุดพ้นด้วยใจความหมายคือสมาธิที่ได้ถึงขั้นอั ป, ปนาสมาธิมีสามระดับคือ 1. นคณิกะสมาธิสมาธิชั่วขณะเป็นสมาธิที่เราใช้ในเวลาทำงานในการพูด 2. อุปจารสมาธิสมาธิใกล้ฌ า, านหรือเฉียดฌานใช้ประโยชน์ในการตัดกิเลสหรือถอยออกมาจากฌาน เพราะในฌานมีความสงบจะพิจารณาตรายักษ์อนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ถนัดต้องถอยออกมาจากฌานแล้วยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนากรรมาฐานสาอัปปนาสมาธิสมาธิคือฌานนั่นเองฌานที่หนึ่งถึงเป็นอั ป, ปนาสมาธิทั้งนั้นแต่ความประณีตไม่เท่ากันผู้ที่ได้ฌานตั้งแต่ฌานที่หนึ่งขึ้นไปถ้าไม่ได้บุรุคุณวิเศษ เช่นอริยะคุณเป็นพระโสดาบันเป็นต้นยังไม่ได้คุณวิเศษที่สูงขึ้นไปก็ต้องไปพรหมโลกเมื่อตายแล้วเพราะพรหมโลกเป็นที่อยู่ของท่านผู้ได้ฌานและฌานยังไม่เสื่อมตายแล้วก็ไปพรหมโลกนี่เป็นอานิสง์ของเมตตาสิบอประการถ้าได้ฌานก็จะได้รับอานิสงค์ของเมตตาเต็มรูปทั้งสิบเอประการตามที่กล่าวนี้ แต่ถ้าเจริญเมตตาโดยไม่ถึงฌานก็จะได้รับอ น, นิสงค์ของเมตตาลดหลั่นลงมาหรือเจือจางลงไปไม่เข้มข้นเหมือนผู้ที่ได้เจริญเมตตาโดยได้ฌานเพราะฉะนั้นผู้ที่ต้องการบรรเทาความโกรธหรือต้องการลดละความโกรธก็ควรพิจารณาถึงอ น, นิสงค์ของเมตตาตามที่กล่าวมาแล้วนี้หลายๆครั้งก็จะได้มีวิริยะอุสาหะที่จะเจริญเมตตา พราะราลึกถึงผลของสิ่งนี้เระลึกถึงอนิสงค์ของสิ่งนี้ทําให้เป็นผู้ที่มุ่งผลเมื่อมุ่งผลก็ต้องทําเหตุให้สมควรแก่ผลบทสรุปบุคคลผู้ประกอบพร้อมด้วยทำห้าอย่างคือทานศีลหรือสุจริตหรือสมะจริยาการฝึกตนหรือธรมะการสํารวมตนหรือสัญญาและเมตตาดังกล่าวมานี้ ชื่อว่าได้ทำทางไปสู่สุคติหรือสร้างแหล่งแห่งความสุขให้แก่ตนและผู้เกี่ยวข้องเช่นญาติสนิทมิตรสหายและบริวารชนอื่นๆทานเป็นธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจกันในสังคมศีลหรือสุจริตทำให้คนในสังคมอยู่กันโดยไม่เบียดเบียนกันการฝึกตนการสมรวมตนและเมตตาเป็นธรรมเครื่องอบรมจิตใจให้ร่มเย็น ขัดเกลากิเลสให้เบาบางกิเลสเป็นศัตรูตัวร้ายหมายเลขหนึ่งของมวลมนุษย์การแก้ปัญหาทางการศึกษาเศรษฐกิจสังคมและการเมืองที่ไม่คํานึงถึงศีลธรรมหรือการขัดเกลากิเลสนั้นไม่มีทางที่จะทำได้เมื่อใดสังคมได้ตระหนักชัดในเรื่องนี้แล้วหันมาฝึกตนสํารวมตนขัดเกลากิเลสเมื่อนั้น การพัฒนาสังคมจึงจะเป็นไปได้ด้วยดีในหมู่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆซึ่งสำคัญตนว่าเป็นปัญญาชนนั้นถ้าไม่มีศีลธรรมไม่มีจริยธรรมไม่มีเมตตาเป็นอาภรณ์ประดับตนแล้วก็จะเป็นทุรชนเฉยโดยมากไม่มีศักดิ์ศรีของความเป็นนักศึกษาอยู่เลยยังจะดึงให้สถาบันการศึกษาตกต่าลงอีกด้วย เป็นที่เกลียดชังเหยียดหยามของมหาชนกรณีการรับน้องที่เป็นเรื่องวิจารณ์อื้อเฉาอยู่ในเวลานี้พอเป็นตัวอย่างได้ว่าผู้มีการศึกษาที่ไม่มีธรรมประดับตนนั้นชั่วร้ายเพียงใดคนที่ไม่มีการศึกษาแต่มีธรรมประจําใจเสอีกยังจะน่าเคารพนับถือน่าให้เกยียิในฐานะเป็นสาธุชนคนดีคนมีประโยชน์ใช้ชีวิตอย่างสงบ หรือ Peaceful อันยู f u l Life เป็นผู้น่าสรรเสริญสมพุทธศาสนาสุภาษิต ท, ที่ว่าสาทุรูปโปจะปาสังโสทวารัตเยนะสัจวาแปลว่าผู้มีสัจจะอันดีทางกายวาจาใจหรือไตรทวารจัดเป็นคนดีและน่าสรรเสริญคนดีเพราะทำดีพูดดีและคิดดีไม่ใช่เพราะชาติกำเนิด ไม่ใช่เพราะสถาบันการศึกษาไม่ใช่เพราะตำแหน่งและทรัพย์ทุกคนต้องการความสุขหลีกหนีความทุกข์แต่แหล่งแห่งความสุขมีได้เพราะคุณธรรมมีการเสียสละแบ่งปันเป็นต้นตามที่กล่าวมาแล้วเพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายช่วยกันสร้างแหล่งแห่งความสุขให้แก่กันอย่าสร้างแร่งแห่งความทุกข์ให้แก่กันเลยขอสัตว์ทั้งหลายผู้มีทุกข์จงพ้นทุกข์ ผู้มีภัยจงพ้นภัยผู้มีโศกจงพ้นโศกตลอดการทุกเมื่อทุกขับปัตตาจะนิธทุกขาพยาปัตตาจะนิธพยาโสกับปัตตาจะนิธโสกาโขนตุสัพเพปิปานิโนธรรมบรรยายเรื่องแรงเกิดแห่งความสุขหรือสุขสมุทยัยซึ่งเรียบเรียงโดยอาจารย์วสินอินทศราก็ยุติลงเพียงเท่านี้ ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกัน